เมื่อเริ่มมีตัวฉันแล้วก็มันต้องมีของฉันแล้วตัวฉันของฉันต้องดีต้องเด่นต้องเหนือนคนอื่ น, นมันก็เลยเป็นกระบวนการของการเริ่มต้นความถูกแหละเพราะว่าถ้าว่าเราต้องการในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากให้ดีอยากให้เด่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามต้องการของเราหรอกทุกอย่างก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามเหตุาตามปัจจัยของธรรมชาติ <S <S เป็นอย่างนั้นเองแต่เราก็ไปฝื้นให้แรงใจใเราเนี่ย ก็เพื่อตัวเราบางคนบอกว่าเออเป็นสิวเม็ดหนึ่งเป็นสิวที่หน้าคนอื่นไม่เป็นไรหรอกแต่เป็นที่หน้าฉันเนี่ยมันเดือดร้อนมันเป็นเรื่องเนี่เพราะความเป็นตัวฉันเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมความเป็นตัวฉันให้อยู่ในระดับหนึ่งคเช่นระดับของสมมุติสมมุติว่าเป็นเราเพื่อใช้ทําหน้าที่ใช้อยู่ในสังคมพวกเนี้ยใช้สมมุติอย่างถูกต้องเนี่ย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 ควรจะเอาดวงของตัวเราเองนี้เนี่ยไปฝากชะตากับทางวัดเลิงได้ยี่ย่านเยวาวราชเอาไว้เพราะว่าเมื่อพอถึงวันพระจีนเนี่ยทางวัดก็จะทําพิธีสวดมนต์ปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้เรานะคะและ้ บ, บางตําราก็บอกว่าแนะนําให้ไปไหว้ เ, วเจ้าพ่อกวนอูที่ศาลเจ้ากวนตีในซอยอิสารานุภาพเพื่อที่จะเสริมเรื่องการงานให้ดียิ่งขึ้นไม่หนักนาะสาหัสตามดวงอะไรประมาณเนี้ยนะคะครับแล้วยังมีอีกนะคะอาจารย์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 มันเป็นของที่คู่กันมั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วคู่กับโลกมันเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณสีหน้าบอกว่าถ้าเขาทำนายมาดีอาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาทำนายไม่ดีมันก็มีปัญหาคือหลายคนเนี่ยอาจจะหลงห้หรือว่าสับสนได้ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีเรามองทำใจเป็นกลางๆก่อนถ้าเขาทานายมาดีอืมดีเราก็มีกาลังใจไม่ต้องทาอะไร แต่ถ้าเขาทำลายมาไม่ดีนั่นมันก็ดีนะอ้าวมายังไงล่ะคะอาจารย์เพราะเขมีวิธีการแก้ให้มันดีได้ก็อย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อรูปบัวมาตั้งกลางหน้าให้หันหน้าไปทั้งที่แต่มันออกหรือเป่าคะนี่แหละวิธีการแก้ให้มันดีเนี่ยมันมีหลายวิธีเราจะวิธีไหนมีวิธีอื่นอีกเหรอคะอืมเราจะซื้อรูปบัวค่ะเอามาตั้งไว้ที่นั่นหรือเราจะไปทําบุญใส่บาตรเนียหรือเราจะไปปฏิบัติธรรมละเดวตนซะเราจะเอาตรงไหนวิธีการทํานี่มีหลายอย่าง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 ที่ดีงามใช่ไหอาจารย์รคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยก็ไม่เชิงจะเชื่อนักแต่ก็อย่างที่เขาแ น, นะนํำมานะคะว่าให้เอารูปปั้วมาตั้งกลางบ้านอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ทําแล้วเราไปปฏิบัติทำแทนเนี่ยจะแก้เคล็ดได้จริงๆหรอคะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบคลุมจริงๆทั้งปวงธรรมะเนี่ยเนื้อสมมุติเนื้อดีเหนือชั่วมันพ้นไปแล้วจากสิ่งเหล่าเนี้ยถ้าหากว่าเรายังมีความหวั่นไหวแบบนี้อยู่ถ้าเราไม่ทําเนี่ย แล้วก็มีสินค้างขาดใจใช่ไหมกลัว จ, จะเป็นอย่งงางนั้นตัว จ, จะเป็นอย่างนี้บอรแลมันอยู่ที่ใจเราเพราะว่าถ้าหากว่าต้องไปแก้บนที่วัดนี้อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหคนปีชั่วทั้งโลกเนี่ยเอาเมืองไทยนี่มีแก้บนเพื่สุดใช่ไห ม, มแล้วก็จะมามารวมกันที่วัดนี้ได้อย่างไรกันละ่ะแก้คนเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนําถือช่วยฉลูขานถอยอย่างนี้ละ่ะก็ยังพอรับไหวอยู่หรอกแต่ถ้าคนทั้งโลกนะโดยสาวคนจักรวาลเนี่ย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 ดวงดาวก็ดีดวงชะตาก็ดีไม่ริคิดชีวิตเราไม่ได้เราต่างหาที่เป็ผู้ที่ริคิดชีวิตเราเองเราใจชีวิตเราดีเราก็ทำแต่ความดีอยากให้ชีวิตเรามีความสุขเราก็รู้จักทำตามหลักคำแนะนาของศาสนาชีวิตเราก็จะมีความสุขมันมีหลักอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเราเองต่างหาที่ต้องริกิชีวิตเราอย่าปล่อยให้พระพรมหรือใครก็ตามมาลิคิดชีวิตเราเราจะลิคิดชีวิตเราไปยังไงเนี่ย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 ลำบากไปทั้งปีถ้าไม่ทํางานในวันนั้นแล้วก็จะสบายไปทั้งปีอะไรประมาณเนี้นะคะแท้จริงประการใดไม่รับรองนะคะพี่เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังก็เลยถามเขาว่าแล้วหยุดวันอย่างที่ว่าเนี่ยทุกปีหรือเปล่าล่ะเขาบอกเออหยุดทุกปีเลยก็เลยถามว่าแล้วสบายทุกปีไหมพี่บอกก็ยังลําบากเหมือนเดิมทุกปีก็เลยสะท้อนถึงมุมที่ว่าเรื่องของความเป็นสมมุตินะคะ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 แต่ถ้ามีความสมมติขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มาจากความสมมติเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นก็สมมติกัไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ตามแก้ไขาตามสมมติเพื่อได้อย่างตัวตนของเราเนี่ยรงการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญเลยเป็นหลักที่จะลอกตัวตนให้มันหมดไปเมื่อมันหมดตัวหมดตนแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยดวงมันจะตั้งอยู่ที่ไหน มไม่มีที่ตัง้งทุกมันตั้งอยู่ที่ไหน <c oughs> ไม่มีที่ตัง้งค <c oughs> มันอยู่ที่กายอกายมันก็ไม่ใช่ของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติอาศัยสติให้มากๆในการใช้ชีวิตเนี่ยสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเริ่มเข้าใจเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นอยจะน้อยรักษาใจเป็นปกติได้แด้ยิ่งฝึกบ่อยมันก็จะเกิดปัญญารู้จแจ้งเห็นจริงว่าอ๋ออันี้มันเรื่องสมมติ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 สิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทําให้จิตใจเราค่อยๆได้เพราะไม่มีใจที่จะค่อยๆเสร็ะแล้ว <c oughs> ไม่มีตัวที่จะค่อยเขร็ะ <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> ดีไหมคะ <c oughs> เพื่อนของเรา <c oughs> เห็นเป็นประการใดคะลองนําไปคิดพินิษฐ์พิจารณาแล้วก็เลือกเอาเองนะคะ <c oughs> เพราะชีวิตเป็นของแต่ละคนที่จะต้องกําหนดให้เป็นไปสําหรับของแต่ละคนเองอะนะคะ